สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของท่านอนาถบีกะเศรษฐีอุบาสกในเรื่องของท่านได้เล่าค้างไวมาถึงตอนที่ผู้รับจ้างได้ตั้งใจรักษาอุโบโสถศีลครึ่งวันแล้วก็ลูกจ้างผู้นี้เป็นผู้ที่อดอาหารมาทั้งวันทางานอยู่ในปา่า ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นเมื่อมารักษาออโบสถศีลไม่ได้บริโภคอาหารเย็นก็ทำให้เกิดลมกำเริบขึ้นในร่างกายของผู้รับจ้างเมื่อลมได้กำเริบขึ้นในร่างกายของผู้รับจ้างบุคคลทั้งหลายจึงไปแจ้งให้ธานานาถามิติกะเศรษฐีได้ทราบ ท่านานาถบิกาเศรษฐีจึงได้ถือเอาของมีรสหวานสี่ชนิดมาอย่างที่อยู่ของชายผู้รับจ้างนั้นแล้วก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพอคุณผู้รับจ้างก็เรียนตอบว่าก้าแต่ น, นายลมได้กวามเริบขึ้นในร่างกายของกระผมมากครับท่านานาถบิกาเศรษฐีจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงลุกขึ้น รับประทานเภสัชนี้ผู้รับจ้างเรียนถามว่าข้าแต่นายท่านทั้งหลายรับประทานแล้วหรือคอรับทานานาถบิติกะเศรษฐีตอบว่าดูก่อนพ่อคุณพวกเราไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเลยเธอจงบริโภคอาหารเถิดนะผู้รับจ้างกล่าวถึงความตั้งใจว่าข้าแต่นายครับกระผมเมื่อรักษาอุโบสถศีลก็ไม่ สามารถเพื่อจะรักษาอุโบสถศีลทั้งหมดได้แม่อุโบสถศีลครึ่งหนึ่งของกระผมอยากได้เป็นของขาดตกบกครองเลยเขอรับแล้วเขาไม่ต้องการบริโภคอาหารนั้นแม่ท่านนาถาบินิกาเศรษฐีได้พูดอ้อนวอนอยู่ว่าเธออย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อคุณผู้รับจ้างก็ไม่มีความต้องการ เพื่อจะกระทําตามคําอ้อนวอนของธนานาถาาบิดกษัตริย์พ่ออรุณขึ้นผู้รับจ้างก็สิ้นใจตายไปเปรียบดังดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งฉะนั้นแล้วเขาได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ที่ตน้นไทรและเทวดานั้นได้พนานาคุณของธนนาถบิิกษเศริย์ว่าธนนาถบิิกษเศริย์เป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรา นับถือพระธรรมว่าเป็นของเราและนับถือพระสงฆ์ว่าเป็นของเราเรื่องผู้รับจ้างได้ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะได้เห็นแบบอย่างจากท่านนาถบินกาเศรษฐีและบริวารชนของท่านโดยทุกคนได้ตั้งใจรักษาอุโบสถศีลเหมือนกันหมดจึงเป็นสาเหตุให้ผู้รับจ้างต้องการรักษาอุโบสถศีลบ้างแม้จะเหลือเวลาอยู่เพียงครึ่งวันเท่านั้นก็ตา่าง แต่อานิสงค์คือผลของความดีหรือผลแห่งบุญกุศลของอุโบสถศีลที่ผู้ตั้งใจรักษาก็อำนวยผลแก่ผู้รักษาอย่างเกินค่าก็เป็นอันว่าธนนานาธามบีนิกาเศรษฐีเป็นตัวอย่างที่นำพาให้บริวารชนของท่านประพฤติปฏิบัติตามในทางที่ดีเรื่องความไม่แน่นอนแห่งชีวิตโดยทั่วไปตรงกับคากล่าวว่า มีแล้วกลับจนจนแล้วกลับมีหรือยากเจ็ดทีดีเจ็ดผลเหตุการณ์ทำนองนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับท่านานาถบิิกาเศรษฐีผู้เป็นพระโสดาบันเช่นกันดังมีเรื่องอยู่ในอัตถกาถาคำพีธมดทแห่งป่าปวักและในอัตถกาถาชาดกที่อธิบายขยายความบาลีคาเทียงคารชาดกคำพีคุตตกนิกาชาดก พระสุตันตปิฎกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารได้ตรัสพระธรรมเทศนาปรารบธนนาธบิลกะเศรษฐีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์54าสิโกศลหาปณะเนะฉะพาะสําหรับสร้างวัดและงานมหากรรมคือการฉลองวัดพระเชตวันมหาวิหารไว้ในพระพุทธศาสนา สมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารทานานาถมาิเิกะเศรษฐีได้ไปสู่สถานที่บำรุงใหญ่สามแห่งทุกวันแต่ก่อนที่ท่านเศรษฐีจะไปอย่างที่บำรุงพระพิสุและสมเนินทั้งหลายจึงคิดใคร่ครวนว่าสมเนนก็ดีพระพิสุหนุ่มก็ดีย่อมแลดูมือของเราด้วยนึกว่าเศรษฐีถืออะไรมาบ้าง ด้วยท่านสติคิดถึงสามเณรและพระพิษุหนุ่มดังนี้ไม่เคยไปยังที่บ่มรงมือเปล่าเลยอาทิธนนาธบิติกรสตีเมื่อไปในเวลาเช้าก็ให้คนถือข้าวต้มไปหลังจากบริโภคอาหารเช้าแล้วเวลาจะไปได้ใช้ให้คนถือเพศัต์ทั้งหลายมีเนยใสเนยข้นเป็นต้นไปและในเวลาเย็น ให้คนถือวัตถุต่างๆมีระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้และผ้าเ็นต้นไปที่พระวิหารท่านเศรษฐีถวายทานรักษาศีลโดยกระทำอย่างนี้ทุกวันตลอดการเป็นนิจนิวรันการต่อมาทนนาถปินิกะเศรษฐีได้ถึงความหมดสิน้นทรัพย์ทั้งถูกโกงจากพวกพาณิชย์ ที่กู้หนี้ไปจากมือท่านเศรษฐีไปเป็นจํานวนเงิน18โกดกหาปณะนะและเงินที่เป็นสมบัติแห่งตระกูลของเศรษฐีอื่นอีก18โกดกหาปณะนะที่ได้ฝังไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ําครั้นฝั่งแม่น้ําพังลงไปเพราะน้ําเสาะก็จมหายลงไปในมหาสมุทรทรัพย์ของธนนาถบินเิกะเศรษฐีได้ถึงความพินาศย่อยยับหมดไปโดยลําดับ ด้วยอาการดังกล่าวมาจนทำให้ท่านเศรษฐีเวลานี้ต้องกลับกลายมาเป็นคนยากจนเข็นใจลงทนานาถามิติกะเศรษฐีแม้จะเป็นผู้ยากจนทรัพย์ไม่มีจับจ่ายใช้สอยเลยก็ยังตั้งใจถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์เรื่อยไปแต่ไม่สามารถถวายทานที่ประณีตได้ วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนกระหบดีท่านยังให้ทานเป็นประจำอยู่หรือธนนาถบิตรกะเศรษฐีกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระบรมศาสดาท่านในตระกูลของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยังให้อยู่แต่ทานนั้นเป็นปลายข้าวที่มีนำส้มพระองค์เป็นกับพระเจ้าข่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ก, กับท่านเศรษฐีว่าดูกรคาราบดีท่านยังคิดว่าเราถวายทานอันเศร้าหมองเพราะว่าเมื่อจิตประนีตแล้วทานที่บุคคลถวายแด่พระอระหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมไม่ชื่อว่าเศร้าหมองดูกรคาราบดีอีกประการหนึ่งท่านก็ได้ถวายทานแด่พระอริยะบุคคล8แล้ว ส่วนตถาคตในการเป็นเวลามะพราหมณ์ได้ทมชาวชุมพูทวีปทั้งสิ้นให้พักไถนาถวายมหาทานอยู่ไม่ได้ทักกินัยบุคคลหมายถึงบุคคลผู้ควรรับของทาบุญประเภทใดประเภทหนึ่งเลยแม่แต่พูดถึงพระตนไตรยก็ไม่มีทักกินัยบุคคลทั้งหลาย ยากนักที่บุคคลจะหาได้ด้วยเช่นนี้เพราะเหตุนั้นท่านอย่าคิดเลยว่าทานของเราเศอ้าหมองและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระกรุณาเทศนาโปรดท่านอนาถวิริกะเศรษฐีโดยตรักเวลามาสูตรสูตรว่าโดยการให้ทานมีผลมากหรือเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นเวลามพราาม โดยมีเรื่องปล่าไว้ในบาลีคำภีอังคุตรนิกายนาวกนิบาตว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดประเชตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถีครั้งนั้นทนานาถบิิกเรษถีได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าดูก่อน คารบดีในตระกูลของท่านยังให้ทานอยู่หรือท่านนาถาบิติกะเศรษฐีกราบทูลว่าข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่พระเจ้าค่ะแต่ว่าทานนั้นเป็นทานที่เศร้าหมองมีข้าวหักหักปนปนกำลับผักรองเป็นกับเท่านั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนว่าดูก่อนคาราบดีบุคคลจะให้ทาน ของเลวหรือของดีก็ตามถ้าให้ทานโดยไม่เคารพให้ทานโดยไม่ยำเกรงไม่ได้ให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานเหมือนกับโยนทิ้งให้ทานด้วยไม่เชื่อว่ามีผลดีแห่งผลทานเมื่อผู้นั้นเกิดในที่ใดๆก็ไม่น้อมจิตไปเพื่อจะบริโภคอาหารที่ดีเพื่อใช้เครื่องนุ่งห่มที่ดี เพื่อใช้ยานพานะที่ดีเพื่อเกี่ยวข้องกับกรรมคุณห้าที่ดีและบุตรภรยาบ่าวไพร่ก็ไม่เชื่อฟังถลายคําของเขาข้อนี้เพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นเป็นผลทานที่เขาให้โดยไม่เคารพบุคคลให้ทานของเลวหรือของดีก็าตามถ้าให้โดยเคารพให้โดยความนับถือให้โดยมือของตนเอง ให้ไม่เหมือนกับโยนทิ้งให้ด้วยความเชื่อผลแห่งทานเวลาผู้นั้นเกิดในที่ใดๆเขาก็มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารที่ดีเพื่อนุ่งห่มผ้าที่ดีเพื่อใช้ยานภาณะที่ดีเพื่อเกี่ยวข้องกับกรรมคุณห้าที่ดีและมีบุตรภรยาบ่าวไพร่ก็เชื่อฟังข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าข้อนั้นเป็น ผลแห่งทานที่เขาถวายโดยเคารพดูก่อนคาราหบดีเมื่อก่อนมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อเวลามพรามเขาได้ให้มหาทานเช่นนี้คือได้ให้ถาทองคำที่ใส่เงินจนเต็ม8 4 0 0 0ใบให้ถาเงินที่ใส่ทองจนเต็ม8 4 0 0 0พใบให้ถาสมฤทธ ที่ใส่เหรียญเงินจนเต็ม8ปด0 0ใบให้ช้าง8ปดหมพันเชือกเป็นช้างที่ประดับด้วยเครื่องทองมีธงทองปกคลุมด้วยตาข่ายทองให้รถ8ปดหมพันคันอันเป็นรถที่หุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครง่งหนังเสือเหลืองผ้ากำพลเหลืองประดับด้วยเครื่องทองคําได้แก่ธงทองคํา คลุมด้วยขายทองคำได้ให้แม่โคโนม 84,000 ตัวกับถาดสำริดสำหรับใช้รองน้ำนมได้ให้หญิงสาว 84,000 พคนแต่และคนล้วนประดับด้วยแก้วมุกดาแก้วมณีกุนทนให้บลัง8ปด0 0ปูด้วยผ้าขนสัตว์ที่มีขนยาวที่ทำด้วยขนแกะเป็นลายดอกไม้ ปูด้วยผ้าหนังชมดอย่างอ่อนนุ่มเบื้องบนกระทำเป็นเพดานมีหมอนข้างหมอนเท้าให้ผ้า 84,000 หีบพันมีผ้าปานผ้าไหมผ้าด้าอย่างดีส่วนข้าวน้ำของหวานของขาวเครื่องรูปไรที่นอนที่อยู่อาศัยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีมากประหนึ่งว่า จะไหลไปเป็นแม่น้ำดูก่อนคาราบอดีท่านจะต้องนึกว่าเวลามาพ ร, รมณ์ที่ได้มาให้หมาทานในครั้งนั้นอย่านึกว่าเป็นคนอื่นที่แท้ตถาคตเองเป็นเวลามาพราหมณ์ในคราวนั้นตถาคตได้ให้หมาทานดังที่กล่าวมาแล้วนั้นแต่การให้หมาทานครั้งนั้นไม่มีผู้ควรแกทักิีนาเลย ไม่มีใครทำทักคีนาคือทานเพื่อผลอันเจริญให้บริสุทธิ์ดูกก่อนขราบดีบุคคลผู้ใดให้อาหารแก่ผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นคือให้แก่พระโสดาบันเพียงรูปเดียวเพียงครั้งเดียวการให้อาหาร เพียงครั้งเดียวแก่พระโสดาบันเพียงองค์เดียวครั้งนั้นก็นักว่ายังมีผลมากกว่ามหาทานของเวลามาพรามท่า น, นผู้ดใ <active> าา ด, ดให้ทานอาหารแก่พระโสดาบัน100องค์การให้ทานอาหารแก่พระสกทาคามีเพียงองค์เดียวก็ยังมีผลมากกว่าการให้ทานแก่พระโสดาบัน100องค์ให้ทานแก่พระสกทาคามี100องค์ ยังมีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่พระอนาคามีเพียงองค์เดียวให้ทานแก่พระอนาคามีหนึ่งรอองค์ยังมีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่พระอรหันต์เพียงองค์เดียวให้ทานแก่พระอรหันต์หนึ่งองค์ยังมีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่พระปเจกพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวให้ทานแก่พระปเจกพุทธเจ้าหนึ่งรองค์ยังมีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทานแก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่พระภิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานให้ทานแก่พระภิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานยังมีผลน้อยกว่าการสร้างวิหารถวายแก่สงฆ์ที่มาจากสี่ทิศคําว่าวิหารก็หมายถึงวัด หรือที่อยู่ของพระสงฆ์นั่นเองนับว่าผู้สร้างที่อยู่ถวายแก่พระสงฆ์มีอานิสงส์มากมายสุดที่จะพรรณนาทีเดียวการสร้างวิหารถวายสงฆ์ที่มาจากสี่ทิศยังมีผลน้อยกว่าผู้มีจิตเลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเรียกว่าการนับถือพระไตรสรนาคม การนับถือพระไตรสรนาคมเพียงอย่างเดียว <_ d ew> ก็ยังมีผลน้อยกว่าการนับถือพระไตรสรณาคมและรักษาศีลห้าด้วยการนับถือพระไตรสรณาคมและรักษาศีลห้าด้วยนั้น <_ d ew> ก็ยังมีผลน้อยกว่าการอบรมเมตตาจิต <_ d ew> คือใจมีเมตตา <_ d ew> เพียงชั่วเวลาสุดดมของหอมยังมีผลมากกว่าและการเจริญ อันนีจะสัญญาคือความกําหนดหมายว่าไม่เที่ยงเพียงเวลาลัดนิ้วมือยังมีผลมากกว่าการอบรมเมตตาจิตนี่ก็เป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนให้ธนานาธาบิิกะเศรษฐีได้รู้จักความจริงในการกระทำความดีในพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเรียกกันว่าเป็นการกระทำกุศล คำว่ากูสลก็หมายถึงการกระทาอย่างฉลาดโดยไม่ต้องลงทุนวัตถุจตุปัจใจไทยธรรมอะไรเลยเพียงแต่ตั้งใจรละลึกถึงคุณความประพุทิประธรรมประสงค์แล้วก็รักษาศีลห้าแล้วก็มีเมตตาจิตคือมีจิตคิดแผ่เมตตาไปแก่บุคคลและสรรพสัตว์ทางหลายและการเจริญอนิจจสัญญาคือการกาหนดดูร่างกายของเราว่าไม่เที่ยง ไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรคงทนมีแต่การเปลี่ยนแปลงแปลผันไปอย่างเดียวทั้งสประการนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีอาณาส ม, มากผูก้กระทาอย่างฉลาดก็สามารถที่จะสแสวงหาบุญในพระพุทธศาสนาได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องลงทุนวัตถุจตุปใจอะไรเลยมีเรื่องของท่านนาถบิิกเศษฐี ที่ปรากฏอยู่ในอัตกถาคำพีธรรมบทแห่งปาปวักและในอัตกถาชาดกที่ขยายความบาลีคาธิรังคารชาดกคำพีคุธกนิกายชาดกกล่าวต่อไปว่าท่านานาถามิติกะเศรษฐีแม้จะมีฐานะยากจนลงแต่ในเรือนคงท่านยังคงถวายพระตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ห้าร้อยรูปอยู่เป็นประจำทุกวัน มีคำเปรียบเทียบไว้ว่าเรือนของท่านานาถวินิกะเศรษฐีเป็นเช่นกับสะบกครณีคือสะที่ขุดไว้ในระหว่างทางใหญ่สี่แพร่งสำหรับพระภิสุสงฆ์ตั้งอยู่ในฐานะคลายมารดาบิดาของพระพิสุทั้งหลายทั่วไปเพราะเหตุนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เสด็จไปที่เรือนของท่านานาถวินิกะเศรษฐีและพระมหาสะวบก80องค์ก็ไปด้วย ส่วนพระภิกษุทั้งหลายนอกนั้นก็ได้ไปไปมามาโดยไม่มีกำหนดที่แน่นอนว่าประมาณเป็นจำนวนเท่าไหร่เรือนของท่านนาถบิิกะเศริีมีเจดชั้นประกอบด้วยซุ้มประตูเจดซุ้มในซุ้มประตูที่สของเรือนนั้นมีเทวดาผู้เป็นมิจฉาทิธฐิคือมีความเห็นผิดหนึ่งองค์อาศัยอยู่ เทวดานั้นเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในเรือนและเสด็จออกย่อมไม่อาจอยู่ในวิมานของตนได้จำต้องพาลูกและหลานทั้งหลายลงจากวิมานไปอยู่ที่พื้นดินข้างล่างหรือแม้เมื่อเวลาพระมหาเทระ80องค์เข้ามาในบ้านและออกไปเทวดานั้นก็ต้องกระทาเช่นเดียวกันครั้นเทวดานั้นต้องได้รับความลำบากอย่างนั้นจึงคิดว่า เม <formation> <ee> <À> mm hmm> <orn> ื่อพระสมณะโคดมและระสาวกเหล่านี้เสด็จเข้าไปในเรือนของท่านเศรษฐีเราไม่มีความสุขเลยเพราะเราไม่สามารถที่จะลงไปอยู่ที่พื้นดินตลอดการเป็นนิดได้เหตุนั้นเราควรทำไม่ให้ท่านเหล่านี้เข้าไปในเรือนนี้อยู่มาวันหนึ่งเทวดามิฉาติธินั่นจึงไปหาบุรุษผู้เป็นหัวหน้าจัดงานของท่านนาถมิตรกะเศรษฐี ในเวลานั้นบรุษผู้เป็นหัวหน้าจัดงานเข้านอนแล้วเทวดาจิงแพรรัศมีสว่างสวยให้ปรากฏขึ้นแก่เขาบรุษผู้เป็นหัวหน้าจัดงานจิงร้องถามว่านั่นใครหนอเทวดาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาเกิดอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของเรือนนี้เองบรุษผู้เป็นหัวหน้าจัดงานถามว่าท่านมาที่นี่เพราะเหตุไรเล่าเทวดาตอบว่า ท่านผู้เจริญท่านไม่ได้พิจรารณาดูการกระทาของท่านเศรษฐีรอกหรือเพราะท่านเศรษฐีไม่ยอมเหลียวแลการที่จะมีมาภายหลังของตนได้ขนทรัพย์ออกทุ่มเทให้พระสมณะโคดมโดยไม่ประกอบการค้าไม่ดาเนินกิจการงานเลยท่านจงสั่งสอนท่านเศรษฐีให้กระทํากิจการงานของตนะและอย่าให้ พระสมณะโคโดมพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สาวกเข้าไปในเรือนนี้บุรุษผู้เป็นหัวหน้าจัดงานจริงกล่าวกับเทวดาว่านี่แน่เทวดาพานท่านเศรษฐีเมื่อจะสละทรัพย์ท่านก็สละไว้ในพระพุทธศาสนาที่เป็นทางเลื้องทุกข์ ถึงแม้ท่านจะจิกศีรษะของข้าพเจ้าขายเป็นสินค้าไปข้าพเจ้าก็ว่าอะไรท่านไม่ได้ดูก่นเทวดาพานท่านจงไปจากที่นี่เสถิดอย่ามาพูดเรื่องนี้อีกเลยวันต่อมาเมื่อเทวดานั้นพูดกับบุรุษผู้เป็นหัวหน้าจัดงานไม่ได้ผลจึงเข้าไปหาลูกชายคนโตของท่านนาถบิิกะเษฐีและได้กล่าว แนะนำเหตุผลอย่างเดียวกันกันกบที่ได้กล่าวกับบุรุษผู้เป็นหัวหน้าจัดงานนั้นลูกชายคนโตของท่านเศรษฐีได้ฟังคำพูดของเทวดาแล้วก็พอทราบอธัธยาศัยของเทวดาได้ว่านี่เป็นเทวดามิจฉาทิจิคือมีความเห็นผิดเขาจึงได้พูดจาขับไล่เทวดานั้นไปเหมือนกับบุรุษผู้เป็นหัวหน้าจัดงานกระทาแล้วนั้นเทวดาเมื่อ ไม่สามารถพูดยุยงให้บุคคลทั้งสองคนเชื่อได้ก็เฝ้าคอยหาโอกาสที่จะพูดกับท่านนาถปาิฎกเศรษฐีแต่ทว่าในขณะที่ท่านเศรษฐียังร่ำรวยเป็นใหญ่อยู่เทวดาก็ไม่กล้าที่จะเจรจาด้วยครั้นพอท่านเศรษฐีตกยากเทวดาเข้าใจว่าท่านเศรษฐียากจนลงแล้วคงจะเชื่อคําของเรา จึงเข้าไปที่ห้องอันเป็นสริของท่านเศรษฐีในเวลาเที่ยงคืนโดยเทวดาได้ลงตนอยู่ในอากาศแล้วแผ่รัศมีไปให้ท่านเศรษฐีเห็นทา น, นานาถะบิิกะเศรษฐีเห็นรัศมีนั้นจึงเอ่ยถามว่าใครนั่นเทวดาตอบว่าท่านมหาเศรษฐีข้าพระเจ้าเป็นเทวดาอาศัยอยู่ที่สมประตูที่สของท่าน ท่านเศรษฐีถามว่าเทวดาท่านมหาข้าวเจ้าเพื่อประสงค์อะไรเทวดาตอบว่าข้าวเจ้ามาเพื่อต้องการจะกล่าวเตือนท่านท่านเศรษฐีจริงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเชิญท่านพูดมาเถิดเทวดากล่าวว่าท่านมหาเศรษฐีท่านไม่เหลียวแลิึงการภายหน้าเลยท่านไม่คิดถึงบุตรและธิดาของท่าน ท่านได้ทุ่มเทจ่ายทรัพย์เป็นจานวนมากในพระศาสนาของพระสมณะโคดมท่านอาศัยพระสมณะโคดมถึงยากจนเพราะเหตุที่ท่านจ่ายทรัพย์เกินขีดบ้างเพราะท่านไม่ทำการค้าและกิจการงานบ้างบัดนี้ท่านเป็นผู้ยากจนแล้วก็ยังไม่ละการจ่ายทรัพย์อีกทุกวันนี้พระสมณะเหล่านั้นยังพากันเข้าเรือนของท่านอยู่ทรัพย์ที่ สมณะเหล่านั้นนําไปท่านก็ไม่สามารถนํากลับคืนมาได้ถ้าท่านยังกระทําอย่างนี้ต่อไปท่านไม่มีแม้แต่สักว่าอาหารและเครื่องนมพรมภายในสองสมวันนี้เป็นแน่แท้นับจําเดิมตั้งแต่บัดนี้ท่านอย่าไปที่สำนักของพระสมณะโคโดมเลยทั้งอย่าให้พระภิกษุสาวกทั้งหลายของพระสมณะโคโดมเข้ามาในเรือนของท่าน ท่านอย่าสนใจพระสมณโคดมท่านจงเลิกบริจาคทานที่เกินกาลังเสียแล้วจงประกอบกิจการงานและทาการค้าขายรวบรวมทรัพสมบัติไว้เถิดท่านเศรษฐีถามว่านี่เป็นคำตักเตือนที่ท่านให้แก่ข้าพระเจ้าหรือเทวดาตอบว่าใช่แล้วท่านมหาเศรษฐีท่านเศรษฐีพูดขับไล่เทวดาว่าไปเถิดท่าน ข้าพเจ้าไม่ต้องการบุคคลผู้เช่นกับท่านแม้จะมีจำนวนตั้งร้อยตั้งพันตั้งแสนตนก็ไม่อาจทำให้ข้าพเจ้าหวันไหวได้ท่านพูดคำที่ไม่สมควรพูดท่านเป็นผู้ไม่มีมารยาทเป็นคนที่ไม่ดีเป็นผู้มีศีลชั่วเขหมายถึงเป็นผู้ประพฤติผิดศีลและเป็นกาลกินี คือเป็นสนิทจันายเช่นนี้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยที่ท่านอยู่ในเรือนนี้ท่านจองออกไปจากเรือนของข้งขาพเจ้าโดยเร็วที่สุดเทวดาฟังคําขับไล่ของท่านเศรษฐีผู้เป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลแล้วไม่อาจจะอยู่ที่ซุ้มประตูต่อไปได้ดังก่อนมาจึงพาทารกทั้งหลายออกไป และขั้นเทวดาออกไปจากซุ้มประตูของท่านเศรษฐีแล้วก็หาที่อยู่ในที่อื่นไม่ได้จึงคิดว่าเราจะให้ท่านเศรษฐีอภัยโทษให้แล้วขออยู่ในที่เดิมแล้วเทวดาไปหาเทพระบุตรผู้รักษาพระนครเล่าวความผิดที่ตนได้ทำแล้วและกล่าวขอร้องเทพระบุตรนั้นว่าเชิญมาเถิดท่านขอท่านจงนาข้าพเจ้าไปสานัก ของท่านเสถียีขอให้ท่านเสถีอภัยโทษความผิดของข้าพเจ้าและให้ข้าพเจ้าได้อยู่ที่ซุ้มประตูอย่างเดิมเทพบุตรกล่าวห้ามเทวดาว่าท่านกล่าวคำที่ไม่สมควรข้าพเจ้าไม่สามารถไปยังสำนักของท่านเสถียีได้เทวดาเมื่อผิดหวังจากเทพบุตรผู้รักษาพระนครจรึงไปยังที่อยู่ของ้าวมหาราชทั้งสี่ ก็คือท้าวทัตรถววรุนหกเวรูปักและท้าวกุเวนแต่ก็ถูกท้าวมหาราชเหล่านั้นปฏิเสธอีกเช่นกันครั้นแล้วเทวดาจึงเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราชก็คือพระอินกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วกราบทูลวิงวอนอย่างน่าสงสารว่าข้าแต่ท่านท้าวสักกะเทวราชข้าพระองค์ไม่มีที่อยู่ ต้องจุงพวกทารกเที่ยวเราหกระเหินหาที่พึ่งไม่ได้ขอพระองค์ได้โปรดให้ท่านเศรษฐีให้ดีอยู่แก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าขา่าท้าวสกะเทวราชตรัสกับเทวดานั้นทว่าถึงเราก็ไม่อาจกล่าวกับท่านเศรษฐีได้เพราะเหตุที่ท่านกล่าววาจาที่ไม่สมควรแล้วนั้นเพราะการได้กล่าวเช่นนั้น เป็นการที่กล่าวโดยไม่สมควรแต่เราจะบอกอุบายให้แก่ท่านสักอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังครับท้าวส ก, กะเทวราชจะบอกอุบายอะไรให้แกเทวดาผู้เป็นวิชาทิสฐินั้นและเทวดานั้นจะรับอุบายจากท้าวสกกะเทวราชหรือไม่อย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไป เนื่องจากวันนี้เวลาสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพลงนี้สวัสดีครับ